ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะอดีกาแปลพระพุทธรักษิตาจารย์ชาวสีลังการจนาต่อไปจะเป็นการพนานาพระพุทธคุณก้าบทถึงบทว่าโลกวิทูในคำนี้ว่าอิติปิโสภควาโลกะวิดู แม้พระเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงรู้แจ้งโลกคำว่าโลกาโลกคือโลกสามได้แก่สัตวโลกสังขารโลกโอกาสโลกในโลกเหล่านั้นแม้สัตวโลกอันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทราบแล้วดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณเทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองก่อนแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยคําว่าโลกนั้นโลกมีหนึ่งตามที่เข้าใจกันว่าสัตว์สัตว์ ส, ตสมัยถึงผู้คล่องมีสองก็คือรู ป, ปรโลกและอะรู ป, ปรโลกก็คือโลกของอผู้ที่มีรูปกับโลกของผู้ที่ไม่มีรูป มีสามอย่างก็คือกามาโลกรูปประโลกแล้วก็อารูปประโลกก็คือในกามภูมิสิบเอ็ดรูปภูมิสิบหกอรูปภูมิสี่มีสี่อย่างคืออันทชะโลกโลกของสัตว์ผู้ที่เกิดในใครชะลาผู้ชะโลกโลกของสัตว์ผู้ที่เกิดในมดโลกสังเสริชะโลกโลกของสัตว์ผู้เกิดในเท่าใครหรือว่าในต้นไม้ในอสิ่งสกปรกต่างๆ และโอปปาติกะโลกโลกของสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นมีห้าอย่างคือนรกโลกหรือว่ายิรยะโลกนิรชาญโลกเปตโลกมนุษยโลกแล้วก็เทวโลกก็คือสามบเอ็ดภพภูมินี่แหละมีเจ็ดอย่างคือวิญญาณทิติโลกเจ็ดก็ได้แก่อะไรบ้างโลกอันเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเจดอย่างก็ได้แก่ประเภทแรกสัตว์บางพวกมีกายและมีสัญญาต่างกัน นานัน galaxies, player, นตตกายะนานัตตสัญญานานัตตสัญญาณะเช่นพวกมนุษย์เทวดาบางเหล่าเปรตบางเหล่าอย่างที่สองก็สัตว์บางพวกมีกายต่างกันมีสัญญาเหมือนกันนานัตตกายะเอกตสัญญาก็พวกพรหมผู้เกิดในปฐมฌานภูมิอย่างที่สามสัตว์บางพวกมีกายเหมือนกันมีสัญญาต่างกันก็เอกตกายะนานัตสัญญาเช่นพวกเทวดาชั้นอภัสราพวกพรหมนะ อย่ที่ 4, สี่กษัตริย์บางพวกมีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันเอกัตตกายะเอกัตถสัญญีพวกเทวดาสุภกินหาวูพรมชั้นที่เก้านั่นอย่างที่ห้ากษัตริย์บางพวกผู้เข้าถึงอาการสารนันจายตนะอรูปฌานที่หนึ่งอย่างที่หกกัตว์บางพวกผู้เข้าถึงวิญญาณนันจายตนะอรูปฌานที่สองอย่างที่เจดกษัตริย์บางพวกผู้เข้าถึงอากิญญายตนะอรูปฌานที่สามอันนี้ก็วิญญาณิตินะส่วนพวกอสัญญาสัตตนี้ไม่มีวิญญาณ เข้าในสัตตวะนะพวกในวสัญญาณนสัญญาญตนะก็มีวิญญาณก็ไม่ใช่ไม่มีวิญญาณก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้เป็นวิญญาณทิฏฐิแต่ว่าเข้าในสัตวะมีเก้าอย่างโลกมีเก้าอย่างก็คือสัตตวะเก้าก็เพิ่มอสัญญาสัตตากับเพิ่มในวสัญญาณนะสัญญาญตนะเข้ามาในวิญญาณทิติเจ็ดก็เลยเป็นเก้าโลกทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดรอบด้วยสามารถแห่งบุคคล พระผู้มีพระภาเจ้าสเสด็จประทับนั่งจำพรรษาที่ปันทุกำมพลศิลาอาสน์ที่โคนต้นปาริชาตในอุทยานดอกบัวขาวแห่งหนึง่งในภพตาวดึงทรงสแสดงอภิธรรมปิดกตลอดสามเดือนทั้งสิน้นทรงตั้งติกกามติกาและทุกกามาติกาโดยในเป็นต้นว่าทำทั้งหลายเป็นกุศลทำทั้งหลายเป็นอกุศลทำทั้งหลายเป็นอภยเกิดหรืออพยกตะเป็นต้น แล้วส่งแสดงอภิธรรมปิดกเจ็ดประกรณ์พระอภิธรรมปิดกเจ็ดประกรณ์นั้นทั้งหมดบัณฑิตพึงทราบว่าการจำแนกสัตว์โลกแผ่นดินภูเขาต้นไม้ถาวนทองเงินแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้วประพานเป็นต้นชื่อว่าสังขารโลกว่าโดยธรรมสิ่งนั้นเป็นเพียงอัตกระลน้ลวนก็คือรูปแรูปลว้ลวนนะเรียกว่าสุดธักะกราบหรือว่าอาวินิพกครูปนั่นแหละ พระผู้มีพระภาเจ้ า, จาย่อมทรงทราบสังขารโลกนั้นเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่าลูกกอดพิกูจทั้งหลายตถาคตอรูรรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์บรรลุสแสวงหาตรองตามด้วยใจทั้งหมด โอกาสที่ตั้งอยู่แห่งสัตตสังขารทั้งหลายมีประการที่กล่าวแล้วชื่อว่าโอกาสโลกพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบโอกาสโลกแม่นั้นเหมือนอย่างที่ท่านพนานาไว้แล้วในอัตถถาอะนุอรุณวดีสูตรในตอนต้นในอังคุตรณนิกาสิกนิบาณนะอรุณวดีสูตรโดยในเป็นต้นว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนไปอยู่ สองสว่างทิศทั้งหลายมีประมาณเพียงใดโลกมีประมาณพันหนึ่งท่านเรียกว่าสหัสสีเพียงนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แจ้งท้งสัตวโลกนะก็คือขันห้าขันสีขันหนึ่งที่เป็นไปในโอกาสสโลกในโลกต่างๆในสามสิเอ็ดสามิเอ็ดภพภูมิซึ่งความจริงก็คือสังขารโลกนั่นเองรวนแต่นามธรรมรูปธรรมส่วนสัตวโลกนั้น่ะ ก็เป็นการบัญญัติโดยการรู้พระองค์ก็รู้อัจฉริยสัยอินทรียาอนุสัยต่างๆจริตที่มานอนเนื่องของสัตว์ทั้งหลายนะครับก็เป็นขันธ์าตุเจตนาะเป็นสังขารโรคนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนาว่าโลกวิทูเพราะทรงรู้โลกสามอยา่าด้วยประการชนิดดังที่พระองค์ตรัสว่าดูกนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตตัสรู้โลกแล้วตาสรู้เหตุเกิดโลกและเหตุเกิดโลกตาสรู้ความดับแห่งโลกทําให้ประจักษ์ซึ่งความดับแห่งโลกตาสรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกบําเพ็ญข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วเพราะเหตุนั้นแลผู้รู้แจ้งโลกมีปัญญาดีถึงที่สุดแห่งโลกอยู่จบพรหมจรรย์สงบระงับแล้วทรงทราบที่สุดแห่งโลก ไม่หวังทั้งโลกนี้และโลกอื่นในคำว่าอิติปิโสภควาอะนุตตโรปุริสธรรมสาริอันนี้ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่านะคาว่าโลกวิถูนั้นก็จบแล้วแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสารีฝึกบุรุษผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าด้วยเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยเหตุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกวา่าคําว่าอนุตโรอย่างยอดเยี่ยมความว่ามีผู้อื่นยิ่งกว่าไม่มีคือไม่ทั่วไปเพราะพระองค์ตรัสไปแล้วว่าอาจารย์ของเราไม่มีบุคคลผู้เช่นกับเราไม่มี บุคคลผู้ยิ่งกว่าเราในโลกพร้อมทั้งเทวโลกจะมีแต่ที่ไหนคือหาไม่ได้แน่นอนคำว่าปุริสสะดั ม, มะบุรุษผู้ที่ควรฝึกได้อธิบายว่าบุรุษที่พึงฝึกคือที่ทำบุญไว้แล้วในการกรโดยที่สุดพระพระ บ, บุคคลผู้สามารถจะบรรลุเพียงโสดาปติมัคสัตว์ระชันทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นต้นคือพญานาคอปราสะ พญานาคจุโรทระพญานาคมโหทระพญานาคอักคีสิริขอโทษครับพญานาคอักคิสิระพญานาคภูมาสิกขะพญานาคอาระวาระช้างธนปารกะอันพระองค์ทรงฝึกแล้วให้ดำรงอยู่ในสาระและศีลทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายมีสัจจคตนิครนอัมพัฒมานพพราหมณโสนดันตะพราหม์กูดันตะ และอุบาลีครหบดียักษ์ทั้งหลายมียักษ์อารวกะยักษ์สูจิโรมะและยักษ์ครโรมะเป็นต้นอันพระองค์ทรงฝึกแล้วให้ดำรงอยู่ในสาระและศีลทั้งหลายชื่อว่าสารทิเพราะทรงเป็นดุดสารทีอธิบายว่าเหมือนคนที่ฝึกมา้าสมัยหนึ่งคนฝึกม้าชื่อโกศยะมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณนะส่วนข้างหนึ่ง ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามเขาว่าโกศยะเธอฝึกมาทั้งหลายอย่างไรคนฝึกมากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมฝึกมาทั้งหลายด้วยอุบายอันละเอียดบ้างคือละมุนละม่อมย่อมฝึกด้วยอุบายอันยาบ้างคือวิธีรุนแรงย่อมฝึกด้วยอุบายทั้งละมุนละม่อมทั้งรุนแรงบ้างเมื่อข้าพระองค์ไม่สามารถที่จะฝึกด้วยเหตุสมอย่างนี้ก็จะฆ่าให้ตาย ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสารถีที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าพระองค์ทรงฝึกสัตว์ทั้งหลายอย่างไรก็โกศิยะก็ย้อนถามพระพุทธเจา้าบ้างพระพุทธเจา้าก็ตรัสว่าโกศิยะเราย่อมฝึกสัตว์ทั้งหลายด้วยอุบายอันละมุน ล, ละม่อมบ้างย่อมฝึกด้วยอุบายอันแข็งกระด้างหรือว่ารุนแรงบ้างย่ อ, ยอมฝึกด้วยอุบายทั้งละมุน ล, ล, ละม่ลละอมทั้งรุนแรงบ้างเมื่อเราไม่สามารถจะฝึกด้วยอุบายด้วยเหตุทั้งสามอย่างนี้ก็จะฆ่าให้ตายเหมือนกัน นายโกศยะในพระสูตรนี่ใช้เป็นนายเกสีนะนายเกสีในที่นี้เป็นโกศยะในคนฝึกม้าก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญการฆ่าสัตว์ไม่สมควรแก่ผู้ผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่หรือการฆ่าสัตว์ไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโกศยะบุคคลใดอันเราไม่ว่ากล่าว ไม่สั่งสอนสละแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ถูกฆ่าเสียแล้วในธรรมวินัยนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าด้วยประการชนี้แลก็พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรตั้งอุเทศไว้ว่าจึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระปัญญามากมีพระปัญญากว้างขวางทรงมีพระปัญญาอาจฐาน ทรญญงมีพระปัญญาฉับไวทรงมีพระปัญญาเฉียบคมทรงมีพระปัญญาเพิกถอนกิเลสทรงย่ำยีคำกล่าวจ่วงจาบของบุคคลอื่นทรงฝึกพรามทั้งหลายมีกูตะดันตะพรามเป็นต้นปริภาชกทั้งหลายมีสัพพิยปริภาชกเป็นต้นยักษ์ทั้งหลายมีอาระวกะยักษ์เป็นต้นโจรทั้งหลายมีองค์คุริมานโจรเป็นต้นเทวดาทั้งหลายมีเท้าสากเทวราชเป็นต้น และพรมทั้งหลายมีพระกาพรมเป็นต้นได้กระทําให้หมดการเกี่ยวข้องในทางที่ผิดด้วยอนุภาพแห่งบุญของพระองค์มูชนเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงให้บรรพชาแล้วให้ดา ร, รงอยู่ในมรรคและผลทั้งหลายพระศาสดามีปัญญามากอย่างนี้แล้วตั้งนิเทศกล่าวดังนี้ว่าปัญญามากของพระตถาคตเป็นอย่างไรคือ ชื่อว่าปัญญามาเพราะกำหนดอัดได้มากชื่อว่าปัญญามาเพราะกำหนดทาได้มากนิรุติได้มากปฏิหานได้มากกำหนดศีลขันได้มากกำหนดสมาธิขันได้มากกำหนดปัญญาขันได้มากกำหนดวิมุติขันได้มากกำหนดวิมุติญาณทักษณะขันได้มากกำหนดฐานะและอัถนะได้มากกำหนดวิหารสมบัติได้มากกำหนดอริยสัจได้มาก กำหนดสติปัฐานได้มากสามัคประฐานได้มากอิทธิบาทได้มากอินทรีย์ได้มากระละได้มากพุทชงได้มากอริยมรรคได้มากกำหนดสายยามสามัญยผลได้มากกำหนดอภินยาได้มากกำหนดนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้มากอันนี้ชื่อว่าปัญญามากของพระตถาคตปัญญากว้างขวาง ข, างของพระตถาคตเป็นไนคือชื่อว่าปัญญากว้างขวางพระญาณเป็นไปในขันธ์างๆกว้างขวาง ชื่อว่าเป็นชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะญาณเป็นไปในท่าต่างๆกว้างขวางเป็นไปในอายตนะต่างๆกว้างขวางเป็นไปในปฏิจจสุบาตต่างๆกว้างขวางเป็นไปในความได้ดเนืองซึ่งความว่างก็คือสุญเตละสุญเตาต่างๆกว้างขวางในอัดในธรรมในนิโรติในติปติสัทตในปฏิพาณต่างๆอย่างกว้างขวาง ในศิลขันต่างๆกว้างขวางในสมาธิขันในปัญญาขันในวิมุตติขันในวิมุตติญาณทัศนขันต่างๆอย่างกว้างขวางปัญญากว้างขวางเพราะว่าเป็นไปในฐานะและอัถนะต่างๆกว้างขวางเป็นไปในวิหารสมาบัติต่างๆกว้างขวางในอริยศาสตรต่างๆในสติปัฏฐานในสมปัฏฐานในอิทธิบาทในอินทรีย์ในภะละในพุทงโชในอริยศาสตรต่างๆ ในสามัญญผลต่างๆกว้างขวางในอภิญญาต่างๆกว้างขวางในพระนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเหนือกว่าธรรมที่ทั่วไปแก่ปุถุชนอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นปัญญากว้างขวางของพระตถาคตปุถุปัญญาปัญญาหนานัา่นแหละต่อไปปัญญาร่าเริงของพระตถาคตเป็นไฉนหาสปัญญาชื่อว่าปัญญาร่าเริงเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้ มีความร่าเริงมากมีความรู้มากมีความยินดีมากมีความปราโมทมากบำเพ็ญศีลบำเพ็ญศีลบริบูรณ์ชื่อว่าปัญญา r ่าเริงบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์นะชื่อว่าปัญญา r ่าเริงเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความรู้มากมีความยินดีมากมีความปราโมทมากบำเพ็ญอินรียสังวรแล้วก็เป็นผู้ที่มีความร่าเริงความรู้มากความยินดีมากความปราโมทมาก บำเพ็ญโภชนยมัตตันยูตาก็กคาละนะบำเพ็ญศีลขันธ์บำเพ็ญสมาธิขันธ์บำเพ็ญปัญญาขันธ์บำเพ็ญวิมุตติขันธ์บำเพ็ญวิมุตติญาณทัศนขันธ์อย่างบริบูรณ์ทั้งตลอดฐานะและอัถนะบำเพ็ญวิหารสมาบัติบริบูรณ์ทั้งตลอดอริยสัตว์เจริญสติปัฏฐานเจริญสัมมาปัฏฐานเจริญอิทธิบาทอินทรียพละโภชฌงอริยมัติบริบูรณ์ทําให้แจ้งสามัญญผลทั้งตลอดอภิญยา ชื่อว่าปัญญาราเริงเพราะบุคคลมีความร่าเริงมากมีความรู้มากมีความยินดีมากมีความพอใจมากย่อมทำพระนิพพานให้แจ้งอันนี้ก็เรียกว่าหาสะปัญญาต่อไปปัญญาแล่นชาวนาปัญญาของพระตถาคตเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่รูปทั้งปวงอย่างใดอย่างหนึง่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกหยาหรือละเอียด แล้วหรือประณีตมีอยู่ในที่ไกลหรือมีอยู่ในที่ใกล้โดยความเป็นของไม่เที่ยงชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่สู่อะไรบ้างจากขุโตตาคานาชิหากายะรูปเสียงเป็นรูปผลึกธรรมะจากขุญญาโทตัณยานังญาชิหัวิญญากายวิญญาณมโนวิญญาณ ปัญญาก็แล่นไปในธรรมะสองร้อยหนึ่งในปฏิสัมพิธามรักนั่นแหละจนกระทั่งถึงองค์ของปฏิจจสุบาตุท้ายก็คือแล่นไปสู่ชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโดยความไม่เที่ยงโดยความไปทุกข์โดยความเป็นอนัตตาก็แล่นไปในธรรมะสองร้อยหนึ่งตา่างๆเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นปัญญาแล่นโชนาปัญญาชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะเทียบเคียงพีนิษ พนิษฐ์พิจารณาทําให้แจ้งว่ารูปที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบนันไม่เที่ยงเพราะมีสภาวะสิ้นไปขยักเถนะเป็นทุกข์เพราะมีสภาวะป เ, นะเป็นภัยพยักเถนะเป็นอนัตตาเพราะมีสภาวะไม่มีแก่นสารอาศัสส ร, รกัตเถนะพลันแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นที่ตับรูปชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะเทียบเคียงพิจารณาทําให้แจ้งว่าเวทนาเพราะความละเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณ จากขูโสตะคานาะชิหากายะจนทังถึงชรามรณะเลยก็เอาธรรมะสองร้อยหนึ่งั่นแหละมาแจากแจงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่เที่ยงเพราะมีสภาวะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะมีสภาวะเป็นไทยเป็นอนัตตาเพราะมีสภาวะไม่มีแก่นสารแล้วพลันเล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นที่ดับชราและมรณะชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะเทียบเคียงพิจรารณาเจริญทาให้แจ้งแล้วว่า รูปทั้งที่เป็นอดีตอ น, นาคตปัจจุบันเป็นภาวะไม่เที่ยงอริจังสังฆตาลถูกปัจจัยตรงแต่งปฏิจจสมุปั น, นังอาศัยกันและการเกิดขึ้นขยะธรรมังมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาขยะธรรมังวยะธรรมังวิราคาัศปัญญโรทัฐธรรมังนะเสื่อมไปสิ้นไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแล้วพลันแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นที่ดับรูป ชื่อว่าปัญญาแน่นไปเพราะเทียบเทียงพิจารณาพินิษพิจารณาเจริญทำให้แจ้งซึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขู่ข้อความละทั้งหมดธรรมะสองร้ยหนึ่งจนกระทั่งถึงชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแล้วการแล่นไปในนิพานซึ่งเป็นที่ดับชราและมรณะอันนี้ก็เป็นปัญญาแล่นชวนะปัญญา ปัญญาเฉียบแหลมของพระตถาคตกินชไนติคขปัญญาปัญญคมะนะเฉียบแหลมคือชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะทำลายกิเลสได้ฉับพลันชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมก็ไม่รับไว้คือละบันเทาทํากามวิตกที่เกิดขึ้นให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับไว้คือละบันเทาทําพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก บาปอากุศลที่เกิดขึ้นไว้ให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมพระบลุทำให้แจ้งทำให้เห็นแจ้งมรตีสามัญญผลสี่ปฏิสัมพิทาสี่อภิญยาห้าณอาสนะเดียวด้วยปัญญานี่ก็เรียกว่าปัญญาเฉียบแหลมปัญญาเครื่องรู้แจ้งแทงตลอดของพระตถาคตเป็นไนคือปัญญา คือชื่อว่าปัญญาเครื่องรู้แจ้งแทงตรอดนิเพทะนันนิเพทะหรือว่านิเพทิกะปัญญานะเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้มากด้วยความสะดุ้มมากด้วยความวาดมากด้วยความกระวนกระวายมากด้วยความไม่ยินดีมากด้วยความไม่พอใจอย่างยิ่งเบื่อนหน้าออกไปไม่ยินดีในสังฆธรรมย่อมชําแรกทำลายกองโลภะที่ไม่เคยชําระไม่เคยชํแรกไม่เคยทำลายด้วยปัญญาก็ได้ไรลึญญ เป็นสดบันแล้วก็รู้แจ้งขั้นหนึ่งมากไปด้วยความไม่ยินดีมากไปด้วยความหวาดนะไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายนะเบือนหน้าหนีออกจากสังขารทั้งปวงเลยปัญญาเครื่องรู้แจ้งทางตลอดเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้ มากด้วยความสะดุ้ง ม, มากด้วยความวาดมากด้วยความกระวนกระวายมากด้วยความไม่ยินดีมากด้วยความไม่พอใจอย่างยิ่งเบือนหน้าหนีไม่เบือนหน้าออกไม่ยินดีในสังขารทั้งปวงทำลายกองโทสะเมื่อมีความไม่ยินดีอย่างนี้แล้วก็มากไปด้วยความพอใจอย่างยิ่งนะย่อมชัแรกชัมแรกทำลายกองโทสะกองโมูหะ อกองโลภ ก, กลองหงเนี่ย น, นะโกทะความผูกโกรธย่อมช่ำแรกทำลายอุปน า, าะโกทะความโกรธอุปนภะาผูกโกรธมาาัคคะลบลูปนาสตาิเสมออิสาริสยามัชริยะตรณีมายาเจ้าเล่สาทยะโออวดทำพระหัวดื้สารัมพะแท่งดีอติมานะลบลูแล้วก็มัวเมา อมัทะ h a กะโมเมาประมาทะก็ประมาทกาิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงอพิษสังขารทั้งปวงกา ร, รซึ่งเป็นเหตุให้ศัดไปสู่ภพทั้งปวงที่ไม่เคยชำรกไม่เคยทําลายด้วยปัญญานนี่ก็เป็นความหมายของผู้ที่มีปัญญารู้แจ้งทางตลอดนิเพธภาคยะนิเพท่ปัญญาเป็นความหมายของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอะนุตตโรปุริสธรรมะสารติ ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าต่อไปในคํานี้ว่าอิติปิโสภควาศัตถาเดวะมนุสสานังแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายความว่าทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือทรงเป็นอาจารย์ผู้โอวาทและพร่ำสอนคํานั้นเป็นคําแสดงอย่างสูงสุด ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและพรหมมนุษย์ยักษ์หน้าครุฑคนทันและกุ่มพันเป็นต้นนั่นเทียวคือทรงเป็นผู้พร้อมคือทรงเป็นผู้ท่ำสอนจึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าทรงเป็นศาสดาเพราะท่ำสอนคือเบียดเบียนอธิบายว่ายังภัยที่เกิดขึ้นแล้วพระอาศัยทุกข์มีชราและมรณะเป็นต้นของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ให้พินาฏไปด้วยการแสดงสัจจะอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าทรงเป็นศาสดาเพราะพร่ำสอนอัดและทำแก่ชาวโลกทั้งสิ้นในข้อนั้นมีบาลีดังต่อไปนี้คําว่าศรัทธาทรงเป็นศาสดาอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นดุจผู้นําหมู่เกวียนเหมือนอย่าบุคคลผู้นําหมูเกวียนย่อมนําหมูเกวียนข้ามที่กันดาลนําข้ามที่โจรกันดาลนําข้ามที่ ขัดร้ายกันดาร น, นำข้ามที่อมนุษย์กันดาร น, นำข้ามที่เสือโคร่งกันดาร น, นำข้ามที่น้ำกันดาร น, นำข้ามที่ทุพพิภพภัยกันดารคือนำข้ามขึ้นนำข้ามออกนำผ่านพ้นไปได้ได้ แ, แก่นำไปให้ถึงถิ่นที่ปลอดภัยชันใดพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงเป็นผู้ทรงเป็นดุจผู้นำหมูเกวียน ทรงนำหมูสัตว์ข้ามชาติกันดารทรงนำข้ามชรากันดารทรงนำข้ามพยาธิกันดารทรงนำข้ามมรณะกันดารทรงนำข้ามโสกะกันดาลทรงนำข้ามปริเทวกันดารทรงนำข้ามทุกขะกันดารโทมัสกันดาลและอุปายาตกันดาลทรงนำข้ามปาราภะปาโมหะปาทิฐิปามามณะ คือทรงนำข้ามขึ้นทรงนำข้ามออกทรงนำผ่านพ้นได้แก่ทรงนำไปให้ถึงอมะตะนิพานอันเป็นถิ่นที่ปลอดภัยฉันนั้นเหมือนกันนะก็พระผู้มีพระภาคเจ้านะั้นทรงมีปัญญามากอกลับก็ความว่าปัญญาร่าเริงของพระธถาสก็เป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาร่าเริงเพราะบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากอะทา่านไมมีพูดสงสั ย, ยนะ เพราะเมื่อกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระปัญญามากแล้วทาไมอธิบายว่าบุคคลบางคนมีความร่าเริงเป็นต้นเพื่อทำความเข้าใจในประเด็นนี้พึงศึกษาละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาที่เป็นไปกับโสมนัสนะก็ทำให้มีความร่าเริงได้และก็มีปัญญามากด้วยร่าเริงได้ด้วย <S <S ต่อไปจะเป็นบทว่าบุตโธในคำนี้ว่าอิติปิโสภะกวาบุตโธ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นพระพุทธเจ้าคําว่าบุตโธพระพุทธเจ้าในแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระสยามภูไม่ทรงมีอาจารย์ได้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนด้วยพระองค์เองทรงบรรลุความเป็นพระสัพพัญญูในสัจจะทั้งหลายเหล่านั้นและความเป็นผู้ทรงชํานาญในพระยานทั้งหลาย คำว่าบุตโธพระพุทธเจ้าถามว่าชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะมีความหมายว่าอย่างไรตอบว่าชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้สัจจะทั้งหลายแล้วชื่อว่าพระพุท ธ, ธเจ้าพราะทรงทำหมู่สัตว์ให้รู้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นพระศัพทันญยูชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะรเป็นผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงชื่อว่าพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีคนอื่นแนะนํา ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้เปิกบานชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นพระขีณาสพชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้ปราศจากอุปกิเลสนาอุปาทิกเกเรตทั้งหลายชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระปราศจากโทสะโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระปราศจากโมหะโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระปราศจากกิเลตโดยสิ้นเชิง ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระเสด็จถึงทางสายเอกชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณลำพังพระองค์ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้ขจัดความไม่รู้ได้แล้วชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระทรงเป็นผู้ได้ uitive. ความรู้ทรงเป็นผู้ได้ความรู้คำว่าพุทโธพระพุทธเจ้านี้มิใช่พระชนนีทรงตั้งมใช่พระชนกทรงตั้ง มิใช่พระพาดาทรงตั้งมิใช่พระพัฒนีทรงตั้งมิใช่มิตรและอมัดทั้งหลายตั้งมิใช่ผู้ไม่ใช่เคระญาติมิใช่ผู้ญาติมิใช่พระญาติาผู้ร่วมสายโลหิตทั้งหลายทรงตั้งมิใช่สมณพราหมณ์ทั้งหลายตั้งมิใช่เทวดาทั้งหลายตั้งคำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นวิโมกขันติกนามเป็นสัจจิกาบัญญัติของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย เกิดขึ้นพร้อมกับการทรงได้พระสัพพัญยุตยานที่โคนต้นโพรวมความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้านะคำว่า บ, บุตโธคาว่าวิโมกขันติกนามตามตัวอักษรก็แปลว่าพระนามที่เกิดขึ้นในที่สุดแห่งความหลุดพ้นพระนามนี้เกิดในขณะที่พระมหาบุรุษเกิดโดยอริยชาติในสารัตถะจปณีดีกานะท่านแสดงไว้ เปลือว่าสัจจิกาบัญญัติเป็นบัญญัติที่เป็นนิมิตแห่งการตัดสรูธ้ธรรมทั้งปวงหรือเป็นบัญญัติที่สําเร็จอย่างประจักษ์กัในสารัตถิปนีดีการะกันนิกาพระวินัยในคํานี้ว่าอิติปิโสภัควาภัคว า, ควาแม้พระเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นพระผู้มีพระภาคคําว่าภัควาพระผู้มีพระภาคคําแรก แสดงเพียงพระนามคำที่สองทั้งกล่าวเพื่อแสดงคุณมีความเป็นผู้มีภาคยะเป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอธิบายว่าพระมหาบุรุษพระนามว่าภควานั้นเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะเหตุนี้และนี้จึงอย่างนั้นพระมหาบุรุษนั้นทรงพระนามว่าภควาเพราะทรงเป็นผู้มีโชค ทรงพระนามว่าพรวาพระทรงเป็นผู้ทําลายทรงพระนามว่าพระว่าพระประกอบด้วยพระธรรมทรงพระนามว่าพระว่าพระทรงจําแนกทรงพระนามว่าพระว่าพระทรงเสพทรงพระนามว่าพระว่าพระทรงคลายการไปในพวกทั้งหลายแล้วสรุปว่าเพิงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าพระว่าด้วยอัดหกอย่างนี้ ในข้อนั้นพระมาหาบุรุษนั้นทรงพระนาว่าพัทวาเพราะเป็นผู้มีตัวแห่งธรรมที่ถึงฝั่งมีทานและศีลที่สําเร็จประโยชน์เกื้อกูลและความสุขที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเป็นต้นทรงพระนาว่าพัทวาเราทรงเป็นผู้มีการทําลายเหตุที่ทรงทาลายโลภะโทสะและโมหะเป็นต้นจํานวนพันและกําลังพลแห่งมารทั้งหลายเหตุนั้นอาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหักราคะโทสะโมหะได้แล้วไม่มีอาสวะทรงหักบาปทำทั้งหลายได้แล้วเหตุนั้นบัณฑิต จ, จึงเฉลิมพระนามว่าพัคาวาท่านแสดงความถึงพร้อมแห่งรู ป, ปกายด้วยความที่พระมหาบรุษทรงเป็นผู้มีโชคแสดงความถึงพร้อมแห่งธรรมกายด้วยความที่พระมหาบริตรทรงทำลายโทสะแล้ว พระมหาบรุษนั้นทรงเพื่อนาว่าพระขวารเพราะทรงประกอบด้วยพระธรรมทั้งหลายเห็นปานนี้พระมหาบุรุษนั้นทรงจำแนกธรรมทั้งปวงคือทรงแจกแจงโดยในเป็นต้นคือรูปโดยความเป็นรูปนามโดยความเป็นพูดและภูติกะโดยลักษณะและรถโดยสภาคะและวิสภาคะเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยเป็นกุศลและอกุศลเป็นต้นโดยเหตุและโดยผล ให้ขึ้นสู่วิปัสสนาก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงชื่อว่ามีเที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะถูกความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปบีบคัน้นชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นไปในอำนาจเหตุ น, นั้นจึงทรงพระนาว่าพระขวาพระมหาบุรุษทรงพระนาว่าพระขวาเพราะทรงคบเหตุที่ทรงส่องเศษกายาวิเวกจิตวิเวกและอุปทิวิเวก ด้วยทิพยพยวิหารพรมิหารและอริยวิหารเมื่อควรจะกล่าวว่าพระเวสุวันตักขามโนทรงคลายการไปในภพทั้งหลายก็กล่าวว่าพระขวาเพราะแปลงภวะอักษรเป็นพระอักษรคมณ ะ, ะอักษรเป็นฆาอักษรและวันตักอักษรเป็นวะอักษรแล้วขี่ะเหมือนในโลกเมื่อควรจะกล่าวว่าเมหนัสสัขะสักมาลา เครื่องประดับองคชาติที่ประดาวก็กล่าวว่าเมฆคาลาเมฆคาลาอละเมฆคาลาก็หมายถึงไอที่ปกปิดอวัยวะเพศของหญิงนะที่เราเรียกกันว่าตัปปิ้งอะนะตัปปิงเมฆคาลาหมายถึงเครื่องประดับที่ห้อยย้อยลงปิดบังอวัยวะเพศหญิงสมดังที่ท่านกล่าวว่าพระมหาบุรุษทรงมีภาคยะทรงทําลายทรงประกอบด้วยพระธรรมทั้งหลาย ทรงจำแนกทรงเศษทรงคายการไปในภพทั้งหลายแล้วเพราะเหตุนั้นจึงทรงพระนามว่าพระควาสมจริงดังที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่าคําว่าพระควาพระผู้มีพระภาเจ้าเป็นคํากล่าวโดยความเคารพอีกอย่างหนึ่งพระมหาบุรุษทรงพระนามว่าพระควาเพราะทรงทําลายราคะทรงพระนามว่าพระควาเพราะทรงทําลายโทสะ ทรงพระนาว่าพักวาพระทรงทําลายโมหะทรงพระนาว่าพักวาพระทรงทําลายมานะทรงพระนาว่าพักวาพระทรงทําลายทิฐิทรงพระนาว่าพักวาพระทรงทําลายสิ้นหนามทรงพระนาว่าพักวาพระทรงทําลายกิเลสทรงพระนาว่าพักวะเพราะทรงจําแนกแยกแยะแจกแจงธรรมรัตนะทรงพระนามว่าพักวะเพราะทรงทําที่สุดแห่งภพทั้งหลาย ทรงพระนาม ว, วา่าพระขวาเพราะทรงอบรมพระวรกายทรงอบรมศีลทรงอบรมจิตทรงอบรมปัญญาอีกอย่างหนึ่งทรงพระนาว่าพระขวาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้สายเสนาสนะปา่าใกล้หมู่บ้านและป่าทึบสงัดปราศจากเสียงพูดคุยปราศจากเสียงอึกกระทึกปราศจากการสัญจรของผู้คนเป็นสถานที่ควรทําการรับของมนุษย์ สมควรเป็นที่หลีกเร้นอีกอย่างหนึ่งทรงพระนามว่าพระวาเพราะพระองค์ผู้มีพระภาคเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งจีวรบิณนบาเสนาสนะและขีลานาปัจจัยเพศัตวบริขารอีกอย่างหนึ่งทรงพระนามว่าพระวาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้มีตัวแห่งอัทธรสธรรมรสมีมุติรสอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอีกอย่างหนึ่งทรงพระนามว่าพระวา เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้มีต่วนแห่งฌานสี่อปมัญญาสีอรูปสมาบัติสีอีกในหนึ่งทรงพระนามวาพพ่าพักวาเพราะพระองค์เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้มีต่วนแห่งวิโมกแปดอ ภ, ภิพาญตนาแปดอนุปุพพวิหารสมาบัติก้าอีกอย่างหนึ่งทรงพระนาว่าพักวาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้มีต่วนแห่งสัญญาภาวนาสิบกระสินสมาบัติสิบ อานาปานาสติสมะบัติหนึ่งอสุภะสมะบัติสิบอีกอย่างหนึ่งทรงพระนาม ว, าาวา่าพระขาเพราะพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งสติปัฏฐานสี่สามัพธาน 4, สี่อิทธิบาทสี่อินทรี่ห้าภะระห้าโพชรชงเจ็ดอริยมัติมีองค์แปดอีกในหนึ่งทรงพระนาม ว, าาวา่าพระขาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งตถาคตภ ะ, ะยานสิบเวสารัชยานสี ปฏิสัมพิทาสีอภิญญาหกพุทธธรรมหกพระนามว่าพระขวานี้มิใช่พระชนนีทรงตั้งมิใช่พระชนกทรงตั้งมิใช่พระพาดามิใช่พระพคินีมิใช่มิตรและอมาทมิใช่พระญาติผู้ร่วมสายโลหิตทรงตั้งมิใช่สมณพราหมณ์ตั้งมิใช่เทวดาตั้งคําว่าพระขวานี้เป็นวิโมกขันติกานามเป็นสัชิกาบัญญัติ ของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมกับการบรรลุพระสัพพายุตยานที่โคนต้นโพดังที่พระอาจารย์กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงมีโชคทรงเสพอริยคุณทรงมีตัวแห่งจตุปัจจัยทรงจำแนกธรรมรัตนะได้ทรงทำการหักกิเลสทรงเป็นครูเป็นผู้มีโชคมีพระองค์อบรมดีแล้วด้วยยายะธรรมเป็นอันมาก สเสด็จถึงที่สุดแห่งพบพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบัณฑิตจึงเฉลิมพระนามว่าพระขาวาก็ในข้อนี้เมื่อพันน า, น า, นานเนื้อความแต่ระบทในก้าบทนี้พระไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้นก็ไม่เพียงพอเพราะพระพุทธคุณทั้งหลายกําหนดประมาณมิได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสิ่งที่นับไม่ได้มีที่สุด ที่บุคคลรู้ไม่ได้สี่อย่างคือมูสัตวในอากาศนะมูสัตรัมูสัตหนึ่งอากาศหนึ่งอนันตจักรวาลหนึ่งพระพุทธญาณที่หาประมาณไม่ได้หนึ่งนี้ใครๆไม่อาจรู้แจ้งได้ก็คือเป็นอจินไตยและการที่เราจะแสดงฤทธนี้จะอัศจรรย์อะไรในโลกเล่าเพราะความอาัศจรรย์ที่ทำให้เกิดผลพอสยองกล้าวอย่างอื่นยังมีอยู่อีกมาก บทแต่ละบทรวมเอาพระพุทธคุณทั้งสิ้นไว้อันเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปราศจากยานย่อมไม่มีเพระนาะะนันพระไตรปิฎกแม้ทั้งสิน้นพึงเข้าใจว่าเป็นคำอธิบายบทแต่ละบทนั่นเทียวบุคคลผู้เห็นสาระที่รวบรวมพระเกียรติคุณอันแพรไปในสิบสห ส, สีโลกธาตุทั้งสิน้นไม่มีที่สุดว่าเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสมเหตุมาเนืองนิด แล้วพึงคิดถึงการตรัสรู้ของพระสุคตในอดีตตลอดกาลไม่มีที่สุดบุคคลที่ได้ฟังพระธรรมวินัยที่แก้ปัญหาความตึกตรองแล้วเป็นผู้มีปัญญาเหตุนั้นบุคคลนี้จึงเป็นคนสะอาดรู้แจ้งคาจริงที่เป็นสาระทั้งปวงพิจารณาเห็นเหตุกับผลและผลกับเหตุนั้นต่อจากนั้นย่อมเชื่อการตรัสรู้ซึ่งเกิดจากความเพียรที่ยิ่งใหญ่ของพระสุคตนั้น ก็บุคคลใดเชื่อการตัดรุขของพระสุคตนั้นย่อมกล่าวและย่อมคิดถึงพระพุทธคุณทั้งหลายมีบทว่าอรหังเป็นต้นตามแนวที่กล่าวแล้วบุคคลนั้นละบาปทั้งหลายครู่เดียวย่อมเข้าถึงความสงบท่านเกิดในโลกที่เห็นแสงสว่างเมื่อปรารถนาแสงสว่างนั้นท่านพึงศรัทธาท่านพึงระลึกถึงท่านพึงกราบไหว้ท่านพึงบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พันานาพระคุณก้าวประการในคัมภีร์ชินารังการะที่ให้ความเพลิดเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยประการชนีก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีศรัทธาทราบซึ้งในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น้อมไปในการที่จะอบรมไตรสิกขาเพื่อกําหนดรู้ทุกข์ที่ยังไม่ได้กําหนดรู้เพื่อละสมุทัยที่ยังไม่ได้ละเพื่อทํำนิโรธให้แจ้งเพราะว่ายัางไม่ได้ทําให้แจ้ง เพื่ออบรมอริยมรรคที่ยังไม่ได้อบรมให้บริบูรณ์หรือว่ากำลังอบรมอยู่ก็ะตามแต่ว่ายังไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นก็ดูกรุศลปิติตามโสดศรัทธาในการฟังในการอ่านเหล่านี้ก็กลายเป็นปัจจัยในการรู้แจ้งแทงตลอดพยาศัตริธรรมแล้วก็ทำให้พ้นจากวัตะทุกในที่สุดด้วยเทิญสาธุสาธุสาธุ